จะคิดว่าเป็นัยไม่ได้ที่จะรักใครคนหนึ่งมากมายจนได้มาเจอกับเธอท า, างก่านผู้คนมากมายรอบตัวเพรียบกัาแสงไฟที่มันมืดหมู่แต่ฉันไม่กลัวเพราะมีเธอตรงนี้ จะเคยครึ้งในชีวิตที่เคยหายไปและฉันจะรักษาเธอเอาไว้ไม่ให้ไปไหนราะต้องเชื่อใจว่าความรักของฉันไม่ว่าจะนานเท่าไร่ก็จะมีแค่เธอคนเดียว อยากจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้วันนี้พบเธอจึงได้เข้าใจว่ารักที่ดีที่เธอสวยงามแค่ไหนเธอเคยครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยหายไปและฉันจะ กไหมร้อย ว่าความรักของฉันไม่ว่าจะ น, นานเท่าไรก็จะมีแค่เธอคนเดียวข้างในหัวใจต่อให้เราจะเวียนมุนไปฉันจะไม่เปลี่ยนไปลงให้แสงดาวแสนพร่างพรัก